เรื่องราวของพระพุทธเจ้าสมัยที่ยังไม่ตัดสรุปเราเรียกว่าชาดกนะชาดกนี้เป็นเรื่องราวของพระโพธิสัตว์คือผู้ที่บำเพ็ญเพียรก่อนที่จะตัดสรุปเป็นพระพุทธเจ้าว่ามีเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของชาวนาซึ่งสูญเสียพ่อเสียใจมากนะ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 แต่ที่จริงนี่เราโง่กว่าลูกอีกนะได้สติเลยก็เลยหายคลั่งครวญถ้านะนะคนเราเนี่ยมักจะเห็นคนอื่นง่ายแต่ว่าไม่เห็นตัวเองอย่างชายคนนี้เนี่ยนะเห็นลูกว่าโ ง, งนะ่เห็นลูกว่าทำอะไรแปลกๆนะวัวมันตายแล้วก็ยังไปเกี่ยวหญ้าให้วัวกินแต่ว่ามองไม่เห็นตัวเองนะว่าเนี่ยตัวเองคลั่งครวน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 แล้วก็มีเรื่องทานองนี้อยู่อีกตอนหนึ่งนะก็คือว่าพระราชาเนี่ยนะสูญเสียสูญเสียลูกชายสูญเสียลูกชายก็ร้องโหมร้องไห้เผาศพแล้วก็ยังก็ยังคร่่าครวญไม่เป็นอันทำไม่เป็นอันออกว่ารชการมหาและคู่ใจก็เป็นห่วงก็อยากจะช่วยเตือนสตินะพระราชาก็เลยแกล้งทาเป็นป่วยนะ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 ลูกสะพ้ายจะว่านะตัวหลานก็ว่าซสก่อนนะว่าเนี่ยว่าทำอย่างนี้ได้ยังไงนะจานตกแต่หมดเนี่ยหนูว่าจะเก็บจานนี้ไว้ให้แม่ได้ใช้ตอนแก่ๆตอนแก่คำพูดอย่างนี้เนี่ยมันทำให้แม่หรือลูกสะพ้ายได้คิดเลยว่าเออตัวเองสักวันหนึ่งก็คงจะเป็นอย่างอย่างแม่ผัวนะคือพอแก่แล้วก็ถูกปฏิบัติ